ดูดูแล้วก็พญายนากเนี่นักนักกีฬาเหมือนกันนะถ้าแพ้เนี่ก็คือแพ้ยอมยอมกับระลีล่ยโลสิโลลาบเรลยวกันถ้าพอถ้าแพ้แล้วยอมล่ะถ้าวาดิดธิอำนาจสู้ไม่ได้แล้วไปว่ายอมเลยว่นนี้อันนี้ก็คือหลายเรื่องอยู่ในพระไตรปิฎกมากทีเดียวเลย เรื่องพญานาคเรื่องเทวดาภูมิลุขะเทวดาครดนาคที่มองไม่เห็นแต่เป็นพวกนี้พวกท่านเหล่านี้เป็นกายจสิตที่มองไม่เห็นโดยตาเนื้อมนุษย์ก็คือเป็นภพภูมิหนึ่งครดกับภพภูมิหนึ่งนาคกับภพภูมิหนึ่งภูมิลุคะเทวดาภูมิเทวดาก็ภูมิก็อยู่สถานที่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 ในการบำเพ็ญนี่แหละอันนี้ก็คือแต่ละชั้นแต่ละภูมิก็มีมากแต่พระพุทธเจ้าท่านมีญานรัศนะท่านมองเห็นพระหันท่านมีญานรัศนะท่านมองเห็นภพภูมิต่างๆแต่พวกเรามองเห็นตั้งแต่สัตว์ทชารฉานกับมนุษย์แต่นอกนั้นเรามองไม่เห็นมนุษย์แต่สัตว์ที่รฉานเนี่ก็มองเห็นแต่ตัวใหญ่ๆ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 พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็นแนะนําสมัตะคือทําจิตใจให้สงบเราทํำยังไงนั่งสมาธิอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดเคยกล่าวไม่รู้กี่ครั้งทูกกี่หนพวกเราปฏิบัติตามนั้นแหละตามที่หลวงพ่อได้พูดจากนั้นเมื่อจิตสงบแล้วก็ให้เดินทางวิปัสนาเดินวิปัสนาคือนึกคิดหาเหตุผลค้นคว้าศึกษาหาเหตุผล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 ลูกเราก็จะได้ภาคภูมิใจแต่ถา้าพวกเราเอทํำไปคนละทิศคนละทาง อ, ตอแต่แยกสามัคคีกันอีกนะ่ะไม่ดีแน่นะการศรัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานทุกคนนะเอด็กหลวงพ่อนะเไมีแต่มองมองพวกเราทุกๆุท่านนะนะแต่ถึงข่าวพูดหลวงพ่อก็จะพูดถึงเราข่าวไม่พูดก็หลวงพ่อก็ไม่พูดนะ เ, เห็นไหมหลวงพ่อไม่ได้พูดเนะมื่อวานนะออ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 แต่ที่ยังไงก็วันออกพรรษาเนี่ยค่ช่วยๆกันพิจักูบาทั้งหลายแหละตรอดถึงสัท ธ, ธา ญ, ญาติโยมทั้งในครัวทั้งดูทั้ ง, ร, งรอบด่านทั้งหมู่บ้านต่างๆให้ช่วยๆกันดูดู๋ยวพาทำให้ดีที่สุดเนะี่แล้วก็จบละที่ว่าดีที่สุด